ใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยก็ไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อเลยยกมือให้หลวงพ่อด้วยหนะ่อยมีไหมฟังมาหมดแล้วหรอแน่ใจนะ <c oughs> คราวก่อนหลวงพ่อมาเทศนะมองไปเห็นหน้าคุ้นๆหนนะ่ะไม่ได้ดูว่าข้างหลังหน้าคนใหม่ๆเทศยากไปนะธรรมะนั้นมัน เป็นของประณีตนะลึกซึ้งมีขั้นมีตอนคนฝึกใหม่ก็สอนอย่างหนึ่งคนฝึกมาระดับหนึ่งก็สอนอีกอย่างคนที่เข้าใจประณีตลึกซึ้งแล้วก็สอนเป็นลําดับลําดับขึ้นไปเงินธรรมามีหลากหลายนะแต่ความอัศจรรย์ของธรรมามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาแสดงธรรมนะั้นแต่ละคนนะจะรู้สึกเหมือนกับว่า พระพุทธเจ้าท่านแสดงให้เราฟังเวลาคนที่ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้านะจะมีความรู้สึกเหมือนว่าท่านาอะเจาะจงจะสอนเรานะเนี่ยธรรมะมแท้ๆจะให้ความรู้สึกแบบนั้นทําไมมันเหมือนท่านสอนเราเฉพาะตัวเพราะเรื่องราวที่ท่านสอนเนี่ยมันเรื่องของตัวเราเองทั้งนั้นเลยเรื่องของรูปของนามของกายของใจเรื่องของกิเลสนะเรื่องวิธีต่อสู้กิเลสเรื่องวิธีว่าทํายังไงความทุกข์เกิดขึ้น ใครๆก็เหมือนกันหมดนะเาะน้นคำสอนของท่านเนี่ยเวลาใครฟังเนถ้าตั้งใจฟังฟังด้วยใจอ่อนโยนอ่อนน้อมเปิดใจฟังจะมีความรู้สึกเหมือนท่านสอนเราเฉพาะตัวเาะฉนั้นธรรมะเนี่ยค่อนข้างเป็นสากลนะมันเป็นของเป็นของอัศจรรย์อัศจรรย์มากๆเลยแต่ไม่ใช่อัศจรรย์แบบห่อเหินเดินอากาศเลยอันนั้นไม่อัศจรรย์เท่าไรนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนั่นเคยเล่า ว, ว่า คนมาถามท่านว่ามีฤทธิ์มากไหมเนะหาะได้ไหมท่าบอกท่านไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเหาะนะแล้วก็หัดภาวนาให้เหาะได้เนี่ยมันเหาะได้คนเดียวสู้นักวิทย า, าศาสตร์อะไรไม่ได้นั่นทําระบินขึ้นทิงได้เป็นร้อยๆนะไม่อศัศจรรย์ออกเหาะได้แต่สู้กิเลสได้สู้ความทุกข์ได้นะอศัศจรรย์ที่สุดเลยนี่พวกเราแต่ละคนแต่ละคนนะเราก็เรียนมากรรมฐานแต่ละคนแต่ละคนก็ อ, อาจจะแตกต่างกัน วิธีการที่เคยฝึกฝนมาไม่เหมือนกันบางทีก็ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันรู้สึกมันลงกันไม่ได้ชาวพุทธเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งนะเวลาคุยกันเหมือนมีพระพุทธเจ้าคนละองค์ไม่ถูกกันหรอกสํานักนั้นไม่ถูกสํานักนี้สํานักนี้ไม่ถูกสํานักนั้นปริยัติไม่ถูกกับฝ่ายปฏิบัติปฏิบัติก็ดูถูกปริยัตนะิดูถูกกันไปดูถูกกันมาเหมือนมีพระพุทธเจ้าคนละองค์ทั้งทังที่ทำ ม, มานะั้นเป็นสากลเป็นของกลาง เป็นสมบัติของทุกๆคนร่วมกันเป็นของเราชาวพุทธทุกคนไม่ควรจะแบ่งเขาแบ่งเราอะไรแต่ว่าถ้าเราเรียนนะฟังหลวงพ่อเทศไปเรื่อยเรารู้หลักของการปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่มีความรู้สึกแบ่งเขาแบ่งเราหรอกเราจะพบเลยวิธีกรรมฐา น, นวิธีทากรรมฐา น, นวิธีอะไรก็ได้ขอให้ถูกหลักเท่านั้นแหล ะ, ะถ้าวิธีนะบอกวิธีใช้พุโทโธดีหรือว่าพองยุบดีนะ ทำจังหวะดีหรือดูเวทนาดีหรือสัมมาอรหังดีอะไรหรือจะเอานัามมะพระทะดีไม่มีดีไม่มีเลวแตกต่างกันหรอกนะตัวสำคัญที่เราจะต้องทาต้องทำให้ถูกหลักที่พระพุทธเจ้าบอกนะวิธีการเนี่เป็นเรื่องรองวิธีการเนี่ยเราเลือกเอาวิธีการที่พอเหมาะพอควรเราทำแล้วสะดวกทำแล้วกิเลสของเราเบาบางทำแล้วสติของเราเกิดบ่อยใครถนัดวิธีไหนเราก็ใช้วิธีนั้นแหละ เราอย่าไปนั่งเฉียงกันในเรื่องของวิธีการนี่เราเอามาดูหลักของการปฏิบัติดีกว่ามาเรียนเรื่องหลักอย่างคนจะมาเรียนกับหลวงพ่อนะนับจํานวนไม่ท้วหนหรอกมีเป็นแสนแสนนะถามว่าหลวงพ่อสอนอะไรพูดยากนะว่าหลวงพ่อสอนอะไรถ้าจะพูดให้ชัดเจนจริงๆสอนศีลสมาธิปัญญาสอนครบหมดเลยแต่สอน เรื่องการรักษาศีลนะคนนี้สอนอย่างนี้คนนี้สอนอย่างนี้เรื่องการทําสมาธิคนนี้สอนอย่างนี้อีกคนหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งเรื่องการเจริญปัญญามีวิธีทั้งเยอนะแยนะไงจะว่าหลวงพ่อสอนแบบนั้นสอนแบบนี้พูดไม่ถูกหรอกนะพูดไม่ได้หรอกเพราะว่ากรรมฐานที่หลวงพ่อสอนนี่หลวงพ่อสอนหลักของการปฏิบัตนะิไม่ได้สอนรูปแบบของการปฏิบัติถ้าสอนรูปแบบมันก็ง่ายนะทุกคนเดินเหมือนกันทุกคนนั่งเหมือนกันทุกคนทําอะไรเหมือนเหมือนกัน แต่ว่าทําไมไม่สอนอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีประโยชน์หรอกแต่และคนมีจรินนิสัยที่แตกต่างกันนะทุกคนมีทางเฉพาะของตัวเองแต่เส้นทางเฉพาะของตัวเองเส้นทางที่เหมาะกับตัวเราเองนะั้นต้องถูกหลักที่พระพุทธเจ้าวางไวนะ้หลักของการรักษาศีลหลักของการทําสมาธิสมาธิมีกี่ชนิดเราต้องรู้ถ้าเราแยกไม่ออกนะเราก็ทําไม่ถูกหลักถูกเกณฑ์ เราอาจจะไปใช้สมาธิที่เพื่อเอาไว้ใช้พักผ่อนแล้วเราก็เอาสมาธิพักผ่อนไปเดินปัญญามันเดินไม่ได้จริงหรอกนะสมาธิที่ใช้เดินปัญญาก็เป็นอีกแบบหนึ่งสมาธิที่ใช้พักผ่อนให้จิตสงบมีความสุขมันเป็นอีกแบบหนึ่งคนละแบบกันแล้วสมาธิไม่ได้เรื่องได้ราวเป็นอีกแบบหนึ่งนะนั่งแล้วเห็นโน้น <S <S 1> <S 1> เห็นนี้ออก <S <S นอกไปนะหรือจะเดินปัญญาก็ต้องเดินให้ถูกหลักนะหลักของการเจริญปัญญามีตั้งหลายแบบ บางคนต้องรู้กายบางคนต้องรู้เวทนาบางคนต้องดูจิตบางคนต้องรู้ธรรมสภาวะธรรมนะต้องรู้ประธรรมนามารมที่เกิดขึ้นนี่มั้แต่ละคนมีทางของตัวเองที่เหมาะกับตัวเองเพราะจริตนิสัยต่างกันพระพุทธเจ้านะท่านถึงได้ชื่อว่าพักคะวะโตท่านเป็นผู้จําแนกแจกธรรมนะบางคนไปแปลพักควะโตว่าผู้โชคดีท่านก็โชคดีของท่านแหละเราไม่ดีอย่างท่านนะแต่ว่า เราโชคดีที่ได้ฟังธรรมของท่านเพราะท่านจำแนกแจกธรรมเอาไว้หลากหลายมากเลยธรรมะที่ท่านสอนเยอะแยะไปหมดอย่างเรื่องการเจริญปัญญาใช่ั้ยใช้เรื่องกายก็ได้เป็นฐานกายก็ได้ฐานเวทนาก็ได้ฐานจิตก็ได้ใช้ฐานธรรมก็ได้ถามว่าฐานไหนถูกฐานไหนผิดผิดได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนทุกฐานเลยจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันก็ใช้ฐานที่ต่างกัน หรือบางคนท่านก็สอนทำสมาธิก่อนจเจริญปัญญาทีหลังบางคนท่านก็สอนจเจริญปัญญาก่อนนะทำสมาธิตามมาสมาธิมันตามมาบางคนก็สมาธิกับปัญญาควบกันทำไปด้วยกั น, นไม่หลากหลายจำเราอยามาชี้บอกว่าวิธีของเรานี่แหละสมมติเราใช้สมาธินาปัญญาหรือเราใช้ปัญญานำสมาธิวิธีนี้เท่านั้นถูกวิธีคนอื่นผิด พูดอย่างนี้ไม่ใจแคบเกินไปไปปฏิเสธคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เหลือคล้ายๆเราเลือกเชื่อส่วนเดียวนะงั้นเราเรียนธรรมะเนี่ยเปิดใจให้กว้างธรรมะเราเรียนไปเพื่อลบล้างกิเลสในใจของเราเองเรียนไปเพื่อทําลายความทุกข์ในใจของเราเองเราไม่ได้เรียนเพื่อจะไปเอาชนะใครเพื่อไปแข่งกับใครนะงั้นธรรมะนี่ไม่เรียนเพื่อเทียบเขาเทียบเรานะไม่ต้องไปดูคนอื่นเขาดูของเราเองอย่างบางคนเวลาส่งกันบ้านหลวงพ่อนะ เพื่อนฟังแล้วใจฝ่อเลยคุส่งอะไรยากจังเลยเราทำไมไม่รู้เรื่องเพอเราส่งบ้างเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะมันคนละทางกันนะถ้าเราภาวนาเป็นนะมันเหมือนเราขึ้นภูเขาขึ้นภูเขานะีไม่ใช่ว่าต้องขึ้นทางทิศเหนือเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะต้องปีนหน้าผาขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ว่าไปทางอื่นไม่ได้บางคนขึ้นเขานะนั่งรถขึ้นไปจนถึงยอดเขาได้อย่างขึ้นดอยสุเทพยนะนั่งรถไปถึง ใกลๆพระาธาตุแล้วก็ขึ้นรถกับเช้าต่อขึ้นี่อีกอะไรเงี้ยก็ไปได้หลายทางบาคนก็ไต่ฝ่าภูเขาขึ้นไปไต่ป่าขึ้นไปนะไม่ใช่ว่าทางไหนถูกทางไหนผิดแต่ทิศทางนั้นต้องถูกทิศทางก็คือต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะมุ่งไปสู่จุดสุดยอดจุดสุดยอดก็คือความพ้นทุกข์นั่นเองถ้าใครมุ่งมาสู่ตรงนี้ก็ถือว่าถูกหลักถูกเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ใช่อยากพ้นทุกข์ก็ไต่ลงเหวลงลึกลงไปเลือกลงไปก็ไม่ถูกส่วนว่าจะขึ้นยอดเขานีจะขึ้นทางทิศเหนือจะขึ้นทางทิศใต้ตะวันออกตะวันตกก็แล้วแต่สะดวกบางคนทางเรียบๆไม่อยากขึ้นเอยากปีนหน้าผาให้มันลำบากนิสัยมันเป็นอย่างนั้นห้ามมันใต้ที่ไหนเราะฉั้นถ้าเราอย่าไปใจแคบนะเราชาวพุทธเราจะไม่ต้องทะเลาะกันเองชาวพุทธชอบทำลายกันเองชอบทะเลาะกันเองวิธีของฉันเท่านั้นที่ถูก ลืมไปว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้สารพัดวิธีเลยนะนี่เรามาดูกันเนะท่าที่หลวงพ่อสํารวจนะว่าพวกเราชาวพุทธที่นักปฏิบัตินะทําไมปฏิบัติไม่ได้ผลทําไมบางคนได้ผลเร็วบางคนมันไม่ค่อยได้ผลนะทําไม่ถูกนะถ้าทําถูกหลักจะต้องได้ผลเร็วถ้าทําไม่ถูกง่ายก็ไม่ได้ผลเลยอย่างมากก็ว่าวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านหรือช่วงนี้ดีช่วงหนึ่งเสื่อมอนะไรเงี้ยวนเวียนอยู่แค่นั้นเองหาความ พ้นทุกข์หาไม่เจอหรอกนะเพราะทําไมทําไม่ได้ทําไมทําไม่ได้ดีสักทีทำไมไม่พ้นทุกข์สักทีเพราะไม่รู้หลักงั้นมาเรียนหลักของการปฏิบัติให้ดีนะงั้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยถ้าเทียบกับคำภีร์วิทยายุทธนะคำภีร์วิทยายุทธ์มีเยอะแยะนะแต่คนที่จะเรียนคมภีร์แล้วประสบความสําเร็จมีน้อยเขาตีเคล็ดคำภีร์ออกนะแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องเคล็ดลับของคำภีร์นะอใครเคยอ่านพระแต่ปิดกบ้าง มมยกมือสิอ่านแล้วรู้ไหมจะเริ่มปฏิบัติตรงไหนไม่รู้หรอกเยอะแยะไปหมดเลยนะนี่หลวงพ่อไปดูตำลานักธรรมเอกนะพระเเรียนกันมีหมดเลยที่หลวงพ่อสอนอนะ่ะมีพระบางองค์ท่านมาเล่าเดียเ๋ยวที่อาจารย์สอนนะมีในตำลานักธรรมเอกมีหมดอะ่ะแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะคือไม่ได้แก่นไม่ได้เคล็ดวิชาอยากได้เคล็ดลับไหมพอพูดถึงเคล็ดลับหน้าตาโตเห็นไหย อะไรลึกลับเลยชอบมากเลยนะอะไรเปิดเผยกระจ่างแจ้งนะจืดจืดแนะนี่นิสัยละ่ะเคล็ดลับนะแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติมันมีแต่ก่อนอื่นจะรู้เคล็ดลับของการปฏิบัติต้องรู้ก่อนวัตถุประสงค์ของการปฏิบัตินะปฏิบัติเพื่ออะไรนะพระพุทธเจ้าท่านสอนนะปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงไม่ใช่เพื่อลาบสักการะนะไม่ใช่เพื่อจะเป็นอาจารย์ใหญ่ให้คนนับถือนะ ไม่ใช่เพื่อจะมีศีลไม่ใช่เพื่อจะมีสมาธิเหนือคนอืน่นไม่ใช่เพื่อจะมีปัญญาแตกฉานไม่ใช่เพื่ออะไรเลยนะไม่ใช่เพื่อกระทั่งว่าอยากได้มรรคผลนิพพานเพื่อวิมุตถท่านไม่ให้เอาเพื่อนั่นเดียวนะเพื่ออะไรนะเพื่อนิพพานเพื่อสภาวะแห่งความสิ้นตัญหาสภาวะแห่งความสิ้นถูก งั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะเราต้องรู้นะเป้าหมายปลายทางของการปฏิบัติของเราเนี่ยเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความสินมส้นกิเลสตัณหานะไม่ใช่เพื่อจะเอาเพื่อจะเอาจะได้เป็นพระอรหันต์จะได้เป็นพระอนาคามอยากจะเป็นนั้นอยากจะเป็นนี่ท่านไม่ได้สอนให้เอานะท่านสอนให้ให้รู้จักลดจากรละจากรวางไปแนะล้วพอลดละกิเลสในใจเราได้ก็ดีนะ พอใจเราไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาใจก็เข้าสู่ความสงบสุขกิเลสตัณหาแะไรเป็นตัวทําลายความสงบสุขในใจของเราเะฉะนั้นเป้าหมายเราไม่ใช่เพื่ออะไรเลยนะก็เพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยมันพัฒนาไปจ น, นมันถึงเข้าสู่ความสันติสุขคือพระนิพพานนั่นเองนิพพานเป็นสันติเป็นความสงบนะสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแต่งสงบจากความที่นิโรนสงบจากการยึดถือ ไม่ได้ไปยึดถือธาตุยึดถือขันไว้อย่างถ้าเรายึดถือกายเราจะทุกข์เพราะกายเรายึดถือจิตเราจะทุกข์เพราะจิตยึดถืออะไรทุกข์เพราะอ น, นั้นหมดเลยนะอนิพานนี้จะพ้นจากกิเลสพ้นจากความปรุงแตง่งพ้นจากความยึดถือพ้นจากธาตุจากขันแล้วพ้นจากทุกข์นั่นเองสิ่งเหล่านั้นก็คือตัวทุกข์นั่นเองถ้าพ้นจากทุกข์แล้วจิตใจก็เข้าสู่ความสงบสันตินิพานนั้นมีสภาวะคือสันติ อย่างเราเรียกสันติภาพสันติภาพในโลกไม่มีสันติภาพตราบใดที่ยังมีความปรุงแต่งตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่สันติภาพไม่มีนะสันติภาพเกิดขึ้นในใจเราเมื่อใจเราพ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากกิเลสเท่านั้นแหละนะเป้าหมายปลายทางเรานี้เราจะเข้ามาถึงสันติภาพในใจของเรานะถึงความสงบและไม่ใช่สงบแบบโ ง, ง่โงไม่ให้สงบแบบแห้งแล้งด้วยนะเพราะนิพพานนั้นเป็นบรมสุข สงบแล้วสุขด้วยสุขอย่างมหาศาลเลยนะักลางวันก็สุขกลางคืนก็สุขสุขโดยไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครมันเต็มมันอิ่มอยู่ในตัวของมันเองนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราชาวพุทธนะต้องมาสู่จุดนี้นะวันนี้ยังไปไม่ถึงไม่เป็นไรแต่เดินให้ใกล้เข้าไปทุกวันทุกวันวันหนึ่งต้องถึงจนได้ น, ะนี่ทํำยังไงเราจะเข้ามาสู่ภาวะแห่งความสงบสันติอันนี้ได้บอกแล้วว่าความสงบสันตินี่คือสภาวะที่สิ้นตันหา นะเป็นวิราคะสิ้นตัณหาสิ้นความปรุงแต่งของจิตเรียกว่าวิสังขารนะสิ้นความยึดถือในรูปในนามในธาตุในขันเป็นวิมุตตนะ์ก็เป็นความสงบเป็นสันติเป็นการสลัดคืนธาตุคืนขันให้โลกนะสลัดคืนเรื่อปฏิณิสักคะสลัดคืนไม่มีความอาลัยอาวร์ผูกพันในโลกในธาตุในขันนะเป็นอนาลย ะ, อ น, ลยะอนาลโยเคยได้ยินไหมหลวงปู่้าอนาลโยอนาลโยคือผู้ไม่อาลัยอาวร น, นะ เนี่ยใจมันจะเป็นอย่างนั้นสลัดโลกทิ้งไปได้ทําไมใจถึงสลัดโลกทิ้งได้ใจจะสลัดโลกทิ้งได้ถ้าเห็นความจริงว่าโลกนี้เป็นทุกข์ถ้าเห็นว่าโลกยังเป็นสุขเป็นของอริสอร่อยอยู่นะธาตุขันนี้เป็นของดีของวิเศษนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของดีของวิเศษรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะทำมารมณ์เป็นของดีของวิเศษจ้างให้ก็ไม่สลัดทิ้งหรอกงการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมาเรียนนะ จนเราเห็นความจริงว่าธาตุขันนี้สิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเราอันนี้นหรือกระทั่งไกลออกไปนะคือโลกภายนอกนี้คนอื่นสัตว์อื่นในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ของดีของพิเศษเลย mm. สิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราก็คือรู ป, ปรธรรมกับนมามธรรมไม่ใช่ของดีของพิเศษแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของดีของพิเศษเพราะว่ามันเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของพิเศษเพราะเราควบคุมบังคับยึดถือเอาไว้ตามใจชอบไม่ได้ มีขึ้นมาวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปนะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริงการที่เรามาเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันของกายของใจนะจนเราเห็นเลยมันไม่ใช่ของดีของวิเศษอันนี้แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะงั้นคนเราจะไปสู่มรรคผลนิพพานได้จะปล่อยวางความยึดถือในรูปในนามในกายในใจได้นะ ถ้าไม่เจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่มาดูความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจมันไม่มีทางปล่อยวางได้เพราะมันไม่รู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นของไม่ใช่ของดีของวิเศษพวกเรารู้สึกไหมร่างกายของเราเนี่ยเป็นของดีรู้สึกไหมเป็นของที่เราหวงแหนรู้สึกไหมนิ้วเราขายเท่าไหร่นิ้วใครขายนิ้วบ้างมีไหมขายผมมีไหมขายผมขายผมมีใช่ไหมมันงอกได้อีก นิ้วตัดแล้วมันไม่ยอกงอกนะมันไม่ใช่จริงจบตุ่แก่มไม่งอกนะหัวนะนั่นจริงๆเราเรารักในร่างกายนะเรารักในจิตใจนี้มากเลยเราเห็นว่ามันนําความสุขมาให้พวกเรารู้สึกไหมร่างกายนี้จิตใจนีนะ้อย่างเก่งเราก็รู้สึกแค่ว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเนี่ยมันยังมีความสุขเจืออยู่นะยิ่งยังหนุ่มยังสาวนะก็รู้สึกร่างกายนี้มีความสุขมากจิตใจเราก็มีความสุขมาก ยิ่งช่วงไหนสมหวังนะก็มีความสุขมากนี่เรายังเห็นอยู่ว่ากายนี้ใจนี้นำความสุขมาให้ตราบใดที่เราเห็นว่ากายนี้ใจนี้นำความสุขมาให้ได้เราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกายของใจเราจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจไม่ได้เด็ดขาดเลยถ้าเรายังยึดถือในกายในใจนะความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นอีกงั้นตราบใดที่ยังยึดถือกายยึดถือใจนะตัณหาคือความอยาก ก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อตัณหาเกิดขึ้นนิพพานก็ไม่เกิดสิมนิพพานไม่ปรากฏใช้คําว่านิพพานไม่เกิดเนี่หลวงพ่อใช้คําผิดนะขอถอนนิพพานไม่มีเกิดนิพพานมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่สามารถเห็นนิพพานได้ถ้าใจเรามีความอยากเพราะนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความอยากความอยากมันอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจเป็นทุกข์ความอยากนี่ไร้เดียงสาเพราะเราไม่เห็นความจริง ความจริงก็คือกายนี้ใจนี้ไม่ใช่มีแต่สุขกับทุกข์สลับกันนะกายนี้ใจนี้ในความเป็นจริงมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเวลาที่มีทุกข์มากนะคนทั่วทั่วไปก็รู้สึกว่ามันทุกข์เวลามันทุกข์น้อยคนทั่วไปรู้สึกว่ามันเป็นสุขอย่างร่างกายเราช่วงไหนมันทุกข์น้อยหน่อยนะเราก็รู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายเราเป็นสุขจิตใจเราตอนนี้ทุกข์น้อยหน่อยนะเราก็รู้สึกว่าจิตใจตอนนี้เป็นสุข เนี่ยพราะเราไม่เห็นความจริงถ้าเรามีสติปัญญาแก่กล้าพอนะเราค่อยเรียนรู้อยู่ที่กายเรียนรู้อยู่ที่ใจดูความจริงของกายของใจเรื Europa ่อยไปเราจะเห็นความจริงเลยกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับตัวทุกข์น้อยะบางทีก็ทุกข์มากบางทีก็ทุกข์น้อยมีอยู่แค่นี้เองนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเราเห็นได้ถึงขนาดนี้ใจยอมรับความจริงได้ครับ ขันห้านี้ธาตุขันนี้กายนี้ใจนี้นะเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยถ้าใจยอมรับความจริงได้มันจะหมดความอยากความอยากก็อยากให้มันเป็นสุขความอยากให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นเพราะปัญญามันแก่กล้าพอแล้วมันรู้ว่าอยากอย่างนี้ไร้เดียงสาเหมือนอยากให้พระอาทิตย์ขึ้นแต่ไม่มีแสงเลยอะไรเนี้นะอยากอย่างนี้ยังไม่ไม่สมจริงในเวลานี้นะ อยากที่ไม่สมจริงให้อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่สมจริงการอยากให้ใจนี้กายนี้ใจนี้ไม่ทุกเนี่ยเป็นความอยากที่ไร้เดียงสาในความเป็นจริงมันเป็นตัวทุกแต่เราไม่เห็นสติปัญญาเราไม่พอพอเราสติปัญญาไม่พอเราก็เลยอยากให้กายเป็นสุขอยากให้ใจเป็นสุขอยากให้กายพ้นทุกอยากให้ใจพ้นทุกถ้าสติปัญญาพอเดี๋ยเพราะว่าความอยากนี้ไร้เดียงสา จะอยากให้ของเป็น <sympath> ท <ize> ุกข <jack ata> ์มันไม่ทุกข์เป็นไปไม่ได้จะอยากให้ของซึ่งมันเป็นทุกข์อยู่แล้วกลายเป็นตัวสุขมันก็เป็นไปไม่ได้กายนี้ใจนี้เป็นทุกข์อย่าเราไร้เดียงสาเราก็อยากให้มันเป็นสุขเราอยากให้มันพ้นทุกข์แม้ความอยากมันตามหลังความโง่ของเรามานั้วแหละแั้นความโง่ไม่รู้ความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจตัวนี้เรียกว่าอวิชชาเพราะมีอวิชชาก็เลยมีตัณหามีความอยาก มีตันหาขึ้นมาจิตก็ดิ้นรนปรุงแต่งตันหาทำให้เกิดการสร้างพพขึ้นมาสร้างพพก็คืออะไรการดิ้นรนปรุงแต่งของจิตจิตเดี๋ยวก็ปรุงดีใช่ไหมบางวันจิตก็ปรุงดีบางวันจิตก็ปรุงชั่วบางวันจิตก็ปรุงว่างๆไม่อยากรู้เรื่องอะไรนะปรุงใจน้อมใจเข้าไปในว่างๆปรุงชั่วนะก็เรียกชื่อว่าอาปุญญาพิสังขารปรุงดีเรียกว่าปุญญาพิสังขาร ปลุงว่างๆนะไม่อยากรับรู้อะไรเลยจิตน้อมไปหาอารูปนะเขาเรียกว่าอารเนนชาพิสังขารสิ่งเหล่านี้รากเง่าเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยนะมันมาจากตันหาผลักดันนั่นสิ้นเลยแล้วตันหามันมาจากอาวิชชาคือความโง่ของเราเราไม่รู้ความจริงว่าธาตุขันนี้เป็นตัวทุกขเราก็เลยอยากให้มันเป็นสุขอยากให้มันพ้นทุกข์พราะมีความอยากเกิดขึ้นก็ดิ้นรนดิ้นรนยังไงเราอยากให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขเราดิ้นรนยังไงนะ บางคนก็ดิ้นรนแบบชั่วๆวนะีดิ้นรนแบบชั่วชัเช่นไปกินเหล้าแล้วจะได้มีความสุขสบายใจไหมเนี่ดิ้นรนไหมดิ้นรนปลุงชั่วไปผิดศีลผิดธรรมต่างๆไปเป็นชั่วกับเขาอะไรเนี่ยคนเป็นช่วกับเขานะีอยากได้ความสุขนะไม่ได้อยากได้ความทุกข์หรอกนะงั้นใจในบางทีปลุงชั่วนะปรุงชั่วคนที่เขาทําความชั่วในความเป็นจริงเขาอยากมีความสุข แต่สติปัญญาเขาไม่พอเขาก็ไปปรุงความชั่วขึ้นมาหวังว่าผลจากการที่ดิ้นรนปรุงแต่งตามกิเลสไปเรื่อยๆนี้จะนําความสุขมาให้ผู้มีปัญญาเห็นว่าการดิ้นรนปรุงแต่งตามกิเลสไม่ได้นําความสุขมาให้แต่มันสร้างทุกข์สร้างโทษให้ตัวเองสร้างทุกข์สร้างโทษให้ผู้อื่นด้วยนะก็ไม่ทําพยายามมาปรุงดีอยากมาฟังหลวงพ่อปราโมทเทสเนี่ยเป็นปรุงดีหรือปรุงชั่วปรุงดี ตอบไม่รัดกลุ่มต้องบอกมาฟังเพื่ออะไรถ้ามาฟังเพื่อจับผิดไม่ใช่ปรุงดีนะถ้ามาฟังเพื่อเอาเอาัดเอาทำนะอันนี้ปรุงดีอยากทำดีปรุงดีพูดดีคิดดีทำดีอะไรเนี้ยอันนี้เป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีทำไปเพื่ออะไรหวังว่าจะมีความสุขเรามาปฏิบัติทำเระหวังไหมว่าวันข้างหน้าจะมีความสุข เราทําบุญใส่บาตรหวังไหมจะมีความสุขบางทีไม่ได้หวังให้ตัวเองมีความสุขนะใส่บาตรหวังให้บรรพบุรุษที่ตายแล้วได้รับประทานได้หรือเปล่าเราไม่รู้รู้แต่ว่าพระเอาไปฉันหมดเลยเนะเราก็เชื่อเชื่อเราก็เอออย่างนี้ดนะีทำแล้วเป็นไงสบายใจสบายใจพ้นทุกข์ไหมนะก็ได้สบายใจนะเดี๋ยวก็หาเรื่องลําบากใจมาทีหลังอีกนะความสุขมันก็มีบุญนะั้นะําความสุขมาให้ บุญเป็นชื่อของความสุขบาปเป็นชื่อของความทุกข์แต่ถึงจะนําความสุขมาให้ดูสิคนที่มีความสุขมันเที่ยงไหมนะอย่างสมมติว่าบางคนเกิดมาสวยมากเลยมันสวยนิรันดอนไหมไม่สวยนิรันดอนหรอกลองไปดูรูปของเราเองตอนสาวๆกับรูปเราตอน น, นี้ตอนที่มีตีนกาสิเห็นไหมเห็นไหมมันสวยมันก็ไม่คงที่นะความสุขมันก็ไม่คงที่ลองทบทวนในชีวิตเราที่ว่ามีความสุขมีความสุขความสุขก็ไม่คงที่ แม้เราจะหวังเอาความสุขมาเป็นเป้าหมายของชีวิตนะยังไร้เดียงสาเกินไปไปเอาของไม่คงที่มาเป็นเป้าหมายของชีวิตนะไร้เดียงสาไปงั้นการปรุงดีนะถึงจะนาความสุขมาให้แต่ก็ไม่เที่ยงหรอกนะปรุงอีกชนิดหนึ่งนะเห็นเลยถ้าปรุงดีนะมันก็ลําบากแบบคนดีนะปรุงชั่วมันก็ลําบากแบบคนชั่วเป็นคนดีลําบากไหมเป็นคนดีวางฟอร์มไหมวางฟอร์มนะเป็นคนดีถ้า ส, าสมมุมตินะ เมื่อเราเป็นนักสังคมสงเคราะห์นะเวลาไปไหนเราต้องนะทําให้ดูดีไว้ก่อนน่มารยาท ต, ต้องดูดีเข้าบ้านแล้วสติแตกอะไรเงี้ยนะมันเก็บกดมาจากนอกบ้านอย่าหัวเราะคนอื่นนะพวกเราเป็นเยอะนะอย่างเราเวลาเราอยู่กับเพื่อนใช่ไหมอยู่ในที่ทํางานอยู่กับลูกค้ายิ้มใช่ไหมยิ้มยิ้มยิ้มเข้าบ้านเลยเขี้ยวงอกเลยกลางวันยิ้มมากไปกลับบ้านแล้วเครียดจัดเลยออ เพราะฉะนั้นความปรุงดีความปรุงชั่วนะยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้บางคนมันฉลาดกว่านั้นเลยปรุงว่างๆน้ําใจไปให้ว่างๆความว่างก็ไม่เที่ยงอีกน้ําใจไปเข้าอารูปฌานะมันก็ไม่เที่ยงอีกเพราะฉะนั้นไปว่าจะปรุงดีปรุงชั่วหรือปรุงว่างนะปรุงปุญญาพิสังขานาะปุญญาพิสังขารอาเนรชาพิสังข า, านา ส, ขาสุดท้ายมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน นะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ตาำใดที่ยังปรุงแต่งอยู่ความทุกข์ก็ยังมีอยู่นะนิพพานนั้นพ้นจากความปรุงแต่งนะเป็นอสังขตธรรมนะความปรุงแต่งทั้งหลายนี่เรียกสังขตธรรมยังไงก็หนีความทุกข์ไม่พ้นหรอกหนีความแปลปรวนไม่พ้นหรอกนะงั้นเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยยังไม่ได้งั้นเราต้องมาพัฒนาใจของเรานะถ้าอยากจะพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยไม่ใช่มุ่งสนองกิเลสนะไม่ใช่มุ่ง ฝืนใจกิเลสตลอดเวลาไม่ใช่มุ่งหนีโลกน้อมใจเข้าหาความว่างแต่เราจะต้องมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจของาธาตุของขันนี่บางคนจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจมันเยอะนี่าธาตุขันมีตั้งขันห้าจะเริ่มจากขันไหนอันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนะพระพุทธเจ้าถึงสอนการปฏิบัติไว้หลายแนวทางบางคนท่านสอนให้ดูกายก่อนบางคนเท่าไปดูเวทนา บางคนก็ดูจิตบางคนก็เจริญขึ้นทำมานุภัสสนาเลยมีตัวอย่างในพระไตรปิฎกทั้งสี่ประเภทเลยนะคนที่ดูกายจนบรรลุพระอรหันต์เลยนะคือพระอานนท์ในพระไตรปิฎกบอกไว้เลยว่าพระอานนท์ยังลาทรีสุดท้ายให้ร่วงไปด้วยกายมีสติอยู่กับกายเป็นส่วนมากแล้วส่วนน้อยเอาไปทำอะไรเอาไปนอนหรือไม่ใช่ส่วนน้อยคือจิตจะพลิกเข้าไปหาสมถะ ในเวลาที่เดินปัญญาขั้นสุดขีดเนี่ยนะจิตจะพลิกเข้าหาสมถะแต่พลิกไม่นานเดี๋ยวก็ออกมาเดินปัญญาอีกแล้วก็เดินปัญญาไปช่วงจิตจะพริกเข้าสมถะอีกเนี่ยพระนอนุนยังราตรีสุดท้ายให้ร่วงไปด้วยกายแล้วบราารลุพระอรหันต์ท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านเข้าใจเวทนาแล้วบราารลุพระอรหันต์พระอนุรุธทธะท่านดูจิตแล้วบราารลุพระอรหันต์ใครที่จเจริญธรรมานุปัสสนาแล้วบราารลุพระอรหันต์ถึงไหม ยกตัวอย่างสักท่านหนึ่งมีไหมพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพรนะพุทธเจ้าเห็นอริยสัจอริยสัจอยู่ในธรรมานุปัสสนานะงั้นทางสด้านเนี่ยประตูเมืองสี่ทิศนะหรือทางขึ้นเขาทั้งสี่ทิศขึ้นได้ทั้งเิ้นเพียงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันนะคนไหนนั้นนี้ดูนิสัยตัวเองว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนนะคนไหนมีนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงาม กรรมฐานที่เหมาะกับพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะคือดูกายกับเวทนาเพราะกายเนี่ยจะสอนเลยว่าไม่สวยไม่งามจริงหรอกเวทนาจะสอนเลยว่าไม่สุขไม่สบายจริงหรอกนะถ้าคนไหนเป็นพวกช่างคิดนะคิดมากใจทํางานหมุนติ้วติ้วติ้วติเลยกรรมฐานที่เหมาะกับพวกนี้นะพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะก็คือการดูจิตกับการเจริญธรรมานุปัสนาพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระพุทธเจ้าแบบปัญญาธิกะนะ ท่านทรงปัญญามากนะงั้นถ้าไม่แปลกอะไรนะที่ท่านจะมาเจริญธรรมานุปัสสนาท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าแบบสัทธาธิกะนะหรือวิริยาธิกะแต่ท่านเป็นปัญญาธิกะนี่เรามาดูนะท่านนิสัยของเราโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามกรรมฐานที่เหมาะกับเรานะคือกายและเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ในกาย ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆในใจนะมีสองอย่างเวทนาในใกายเวทนาในใจอันนี้เหมาะกับพวกนิสัยเรียกว่าตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามอีกพวกหนึ่งพวกทิฏฐิจริตพวกช่างคิดเจ้าความคิดเจ้าความเห็นชอบวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์กรรมฐานที่เหมาะก็คือจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาเห็นไหมแต่ละจริตนะมีสองจริตเท่านั้นเองนะ เราได้ยินแต่ว่าราคาจริตใช่ไหมโทสะจริตโมหจริตพวกเราชอบได้ยินแต่จริตพวกนี้ราคาจริตโทสะจริตโมหจริตนะศรัทธาจริตวิตกจริตพุทธิจริตเราจะคุ้นกับจริตพวกนี้ะอีกอันหนึ่งที่คุ้นที่สุดคือดัตจริตอันนี้เบอร์หนึ่งจริตหกอย่างนั้นเอาไว้ทําสมถทนะไม่ได้เอาไว้ทํำวิปัสสนา นะพวกราคาจริตนะพิจารณาปฏิกูลพิณาสุภะจิตสงบง่ายพวกโทสาจริตนะไปเจริญเมตตาจิตสงบง่ายพวกฟุ้งซ่านมีโ ม, ม, โมหะมากฟุ้งซ่านมากมทำอาณาปณสติให้จิตอยู่กับลมเนี่ยนะหรือบางทีกระสินบางอย่างก็ทำให้สงบง่ายเนะนี่ยเราดูจากจริตนิสัย พวกศรัทธาจริตนั้นก็อาจจะพิจารณาคุณของพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าเราก็ปลื้มปลื้มปลื้มนะจิตมีความสุขจิตก็สงบเนี่ยเราคุ้นเคยแต่จริต6อย่างซึ่งเอาไว้ทําสมถะส่วนจริตในการทํำวิปัสสนามีแค่2อย่างเองนะมีตัญหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามกับทิฐิจริตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเรามาดูตัวเองว่าเรามีจริตแบบไหนมากกว่ากันในความเป็นจริงทุกคนมีจริตผสมผสานนะ เฉลีิตผสมผสารคือมีทั้งตัญหาจริตและทิฏฐิจริิตด้วยกันเราดูสัสดส่วนของมันคนไหนนะวันวั น, วนหนึ่งเสริมสวยหลายชั่วโมงเลยนะให้อนุมานไว้ก่อนนะว่าเป็นพวกตัญหาจริต่มันนั่ ง, งทิฏฐิจริมีมคงนั่งเขียนคิ้มองเขียนออกไปที่โน้นที่นี่ใช่หไหมใจมันลอย อ, ะอ่ะงั้นถ้าคนไหนนะช่างคิดนะเจออะไรก็วิจารลูกเดียวเลย นี่คงไม่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามหรอกเพราะเที่ยวคิดเที่ยววิภาควิจารเนี่ยนะฟุง้งซ่านไม่มีความสุขหรอกเราดูตัวเองว่าจริตนิสัยเราเป็นอะไรแล้วเรามาเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามดู ก, กายไวนะ้มันมีให้เลือกสองอันกายกับเวทนาแต่เวทนาเนี่ยเป็นของที่เหมาะกับคนซึ่งมีปัญญาแก่กล้าพวกเราเนี่ยมาคนรุ่นท้ายปลายาศาสนาแล้วเนี่ยคงปัญญาไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แล้วนะปากกล้ามากกว่าปัญญา เรียกว่าอะไรนะหัวใจอยู่ที่ปากไม่ใช่ปากอยู่ที่หัวใจนี่เรามาดูนะพวกปัญญากล้าเนี่ยเขาจะดูเวทนานะถ้าเป็นตันหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามแล้วมีปัญญาแก่กล้าอย่างพระสารีบุตรมีปัญญาแก่กล้ากว่าพระอ น, นุนใช่ไหมนะท่านก็ดูเวทนาที่เหมาะกับท่านนะนะพวกเราก็ถือว่าพวกปัญญายังไม่แก่กล้าให้ดูไกานะ ส่วนพวกคิดมากทั้งหลายเนี่ยมีให้เลือกสองงานจิตตานุปัสสนากัตธรรมานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาเหมาะกับพวกคนทั่วๆไปธรรมานุปัสสนาเหมาะกับคนที่ปัญญาแก่กล้าเราอนุมานไว้ก่อนว่าพวกเรายัางปัญญาไม่แก่กล้านะเพราะเรากรรมฐานที่แนะนําให้พวกเราทํานะก็คือกายกับจิตจะดูกายหรือดูจิตคราวนี้การดูกายกับการดูจิตเนี่ยมีหลักมิธีดูที่แตกต่างกัน การดูกายจะต้องดูลงปัจจุบันขณะดูเดี๋ยวนี้เลยร่างกายกำลังเคลื่อนไห ว, วเห็นอย่างเงี้ยเห็นมันกาลังเคลื่อนไหวเห็นอยู่เลยกําลังเคลื่อนไหวอยู่เห็นกํากลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนกําลังเหลียวซ้ายแหลกขวาเห็นขณะนี้เลยแต่การดูจิตเนี่ยไม่ใช่ปัจจุบันขณะมันเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันนะทำไมดูจิตลงปัจจุบันไม่ได้เช่จนจิตมันโกรธในขณะที่จิตกําลังโกรธอยู่นะสติเกิดไม่ได้หรอก สติจะไม่มีตอนที่จิตกําลังโกรธแต่ถ้าพอความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกได้ปั๊บนะความโกรธจะหายไปแล้วจะเกิดจิตดวงใหม่ที่มีสติไม่มีความโกรธใ nice you, <combines need S 2> ห้ดูความโกรธดับไปแล้วนั้นมันจะเห็นอะเมื่อกี้มีความโกรธตอนนี้ไม่มีเมื่อกี้มีความโลบตอนนี้ไม่มีเมื่อกี้หลงไปตอนนี้รู้สึกและเวลาเราดูจิตเราจะรู้สึกอย่างนี้นะเมื่อกี้เผลอไปตอนนี้รู้ล้วเมื่อกี้โกรธตอนนี้รู้ล้เมื่อกี้โลบตอนนี้รู้แล้วเมื่อกี้ฟุ้งซ่านตอนนี้รู้ล้วเมื่อกี้หดหู่ตอนนี้รู้ล้ว จะเป็นคนละขณะกันแต่ติดๆดกันนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้ใช้ไม่ได้นะอย่างนี้นานไปนะกรรมฐ า, านอย่างนั้นไม่ได้เรื่องเลยไนะกลไปดูกายดูหลงเป็นปัจจุบันคณะดูจิตเป็นปัจจุบันสันตติสันตติคือความสืบต่อสืบเนื่องไปนี่ดูไม่เหมือนกันมีเงื่อนไขอีกจะดูกายได้ดีจิตต้องมีสมาธินะเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกที่ใช้สมาธินําปัญญา การดูจิตเนี่ยดูเข้าไปได้เลยอย่าเพิ่งนั่งสมาธิสมาธิที่เราใช้ในการดูจิตเนเป็นสมาธิชนิดที่เรียกว่าคณิกะสมาธิท่านเองคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะท่านเองจะไม่ใช่สมาธิยาวๆงั้นะอย่างถ้าเราจะดูจิตแล้วเราไปเข้าฌานก่อนพอออกมาจากฌานนะมันจะว่างๆไม่มีอะไรให้ดูหรอกนะจะไม่เห็นความเป็นใตรักของจิตมีแต่ว่างๆสบายๆอยู่งั้นนานอยู่เป็นวันๆเลยนะ ไม่เห็นไตรลักแต่ถ้าเราจะดูจิตเนี่ยเราไม่ไปดัดแปลงมันเรารู้ทันลงไปจิตขณะนี้เป็นยังไงรู้ลงไปจิตขณะนี้เป็นไงรู้ลงไปเลยนี่ยเราจะเห็นเลยจิตแต่ละขณะแต่ละขณะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าจะใช้กายานุปัสสนานะไปทำสมถาก่อนจนจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูออกจากสมาธิมาแล้วนะน้อมจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนะี่ยน้อมสติไประลึกรู้กาย อันนี้จะใช้เรียกว่าสมาธินำปัญญาส่วนพวกที่จะดูจิตดูใจน่ะนะดูเข้าไปเลยนะพวกนี้คือพวกที่ใช้ปัญญานำสมาธิพวกเราเคยได้ยินไหมปัญญานำสมาธิปัญญาสมานะสมาธินำปัญญามีทั้งสองแบบอันไหนถูกกันไหนผิดพระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งคู่ไม่ผิดหรอกมันถูกสำหรับคนบางคนมันผิดสำหรับคนบางคนต่างหากนะงั้นเราอย่าไปดูถูกกรรมฐานของคนอื่นนะ เราใช้วิธีนี้ของเราสําเร็จแล้วเราบอกของคนอื่นผิดหมดไอ้นั่นโง่แล้วพูดออกมาอวดความโง่นะไม่ใช่อวดความฉลาดไม่เข้าใจที่พระพุทธเจ้าสอนนะไปเบียดบงังไปกีดกันคําสอนบางส่วนของพระพุทธเจ้าทิ้งไปใช้ไม่ได้ท่านสอนไว้ทั้งหมดแหละจะใช้สมาธินําปัญญาหรือปัญญานําสมาธิยังมีลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งนะใช้สมาธิและปัญญาควบกันสมาธิและปัญญาควบกันเนี้ยจะต้องมีเงื่อนไขสองอย่าง หนึ่งต้องชำนาญในฌานต้องเข้าฌานได้ชำนี้ชำนาญ น, นะข้อสองต้องชำนาญดูจิตดูอย่างอื่นไม่ได้พอเข้าฌานแล้วไม่มีอะไรให้ดูหร อ, อจะไปดูองฌานนะเห็นปีติเกิดแล้วปีติก็ดับความสุขเกิดความสุขก็ดับนะอุเบกขาเกิดอุเบกขาก็ดับนี่จะเห็นแต่ความเกิดดับข้างในนะในขณะที่เข้าสมาธนะิงั้นพวกที่ควบสมาธิ กับปัญญาควบกันในขณะเดียวกันนะพวกนี้บางทีบรรลุพระอรหันต์นะถ้าสมาธิมันลึกเข้าไปถึงอรูปฌานเนี่ยพวกนี้จะเป็นพระอรหันต์ชนิดที่เรียกว่าอุพ ah ัโตภาควิมุตต ah ์อุพัโตภาควิมุตต์เนี่ยไม่ใช่หลุดพ้นเพราะมีสมาธิและปัญญาเพราะทุกทุกองที่หลุดพ้นนั้นหลุดพ้นด้วยสมาธิและปัญญาทั้งสิน้นไม่มีใครหลุดพ้นด้วยสมาธิอย่างเดียวไม่มีใครหลุดพ้นด้วยปัญญาอย่างเดียวนะทุกคน เพียงแต่บางคนใช้สมาธินำแล้วเกิดปัญญาบางคนใช้ปัญญาไปก่อนแล้วเกิดสมาธิสุดท้ายมีทั้งสมาธิและปัญญานะแต่พวกอุปโตภาควิมุตเนี่ยหลุดพ้นจากส่วนทั้งสองคือหลุดพ้นจากทั้งรูปธรรมและนมามธรรมหลุดพ้นจากรูปธรรมโดยการจิตเนี่ยเข้าไปถึงอรูปฌานหลุดพ้นจากนมามธรรมได้แนละ้วเพราะเห็นแจ้งเจริญวิปัสสนาได้เต็มที่นะปล่อยวางความยึดถือในนมามธรรมนั้นพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่เล่นชาญแล้วดูจิตชํานาญ วเวลาหลุดพ้นพระจิตเข้าถือกรูปนะเนี่ยจะได้ อ, อุปโตภาคเป็นพระอราหันต์ชนิดชนิดหนึ่งนะแยกเอาไว้ตา่างไม่ใช่ไม่ใช่พระอราหันต์แบบปัญญาวิมุตต์แบบวิชาสามแบบอภิญญาหกปัญญาวิมุตต์ล้วนๆที่ว่าปัญญาวิมุตต์เด่นในด้านปัญญาวิมุตต์เป็นสุขวิปัสสกะอย่างนี้แต่จริงๆแล้วต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาเพียงแต่สัดส่วนนั้นไม่เท่ากัน บางองค์ชนานาญในสมาธิมากแถมได้ของเล่นเป็นพระหรหันต์ประเภทวิชาสามิญาอภินย 6, นะิยพบางคนเดินปัญญามามากนะจิตรวมลงไปนะั้นได้ปฏิสัมพิทาสนีะ่บางองค์ได้รวบรวบหมดเลยนะวิชาสามอภินิยหกปฏิสัมพิทาสีรุ่นเหล่านี้ไม่ค่อยมีนะขนาดหลวงปู่ ม, มั่นนะท่านเล่าไว้ในประวัติท่านหลวงปู่ ม, มั่นเองได้ปฏิสัมพิทาไม่ครบอ่นะได้ไม่ครบคนรุ่นเหล่านี้ แค่เอาตัวรอดก็บุญแล้วละ่ะะความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดะเอาหัวรอดไหมตัวไม่รอดหัวยังไม่ค่อยจะรอดเลยงั้นเราไม่ดูถูกคนอื่นนะถ้าเราเข้าใจหลักเราก็มาดูตัวเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรถ้าเรารักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยขั้นแรกเลยไปทําสมาธิวิธีทําสมาธิไม่ยากอะไรนะหาอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งที่ใจเราชอบ คนไหนชอบพุทธโธใช้พุทธโธคนไหนชอบรู้ลมหายใจใช้ลมหายใจคนไหนชอบดูท้องพ่องยุบก็ใช้ท้องพ่องยุบคนไหนขยับมือแล้วรู้สึกตัวได้ก็ขยับมือไปนะใจมีความสุขอยู่ในอารมณ์มันเดียวก็ได้สมาธิขึ้นมานะนี่หลวงพ่อไปเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเรียนกับอาจารย์มหาบัวอาจารย์มหาบัวสอนท่านพุทธโธนะ่าพุทธโธแล้วรู้จิตนะ นั่คุยกับหลวงพ่อนะั้นแล้วบอกลงเปน็นอันเดียวกันเป๊ะเลยพุโทโธแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่พุโทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่ใช่พุโทโธบังคับจิตแต่พุโทโธแล้วรู้ทันจิตไปเลย่อยจิตไหลไปรู้สึกรู้สึกรู้สึกนะในสุดจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานี่ได้สมาธิละพอมีสมาธิแล้วเนี่ยอย่าติดนิ่งติดเฉยออกมาดูกายนะออกมาดูร่างกายเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไปร่างกายที่เคลื่อนไหวอ ย, อยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดู เหตุกายกับจิตเป็นคนละอันกันถ้าเราเห็นกายกับจิตเป็นคนละอันกันได้เนี่ยเราเดินปัญญาได้แล้วเราแยกกายกับจิตออกจากกันได้แล้วถ้าเรายังไม่ภาวนาถึงขั้นที่แยกกายกับจิตออกจากกันหรือแยกจิตกับกิเลสออกจากกันแยกไม่ออกนะยังเดินปัญญาไม่ได้จริงนะต้องแยกขันได้แยกธาตุแยกขันได้ถึงจะเริ่มเดินปัญญาจริงงั้นเราออกจากสมาธิมาพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามทําสมาธิ พุโทโธไปหายใจไปแล้วคอยรู้ทันจิตจะได้สมาธิขึ้นมาดูท้องฟองยุบแล้วรู้ทันจิตเช่นดูท้องฟองยุบแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลงไปที่ท้องรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันจะสงบนิ่งไปเฉยๆเป็นสมาธิชนิดสงบไม่ใช่สมาธิที่จะใช้ให้จิตตั้งมั่นแล้วมาเดินปัญญาแลสมาธิมีสองอันนะบางคนรู้ลมหายใจจิตไปเกาะนิ่งอยู่ที่ลมหายใจอันนั้นสมาธิสงบ นะแต่ถ้าหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันอันนี้เป็นสมาธิที่จะให้เกิดปัญญาได้จิตมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูพอจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วบางคนมันออกจากสมาธิจิตมันก็ตั้งเป็นผู้รู้อยู่เฉยๆนะอย่างนี้ไม่ดีครูบาอาจารย์สอนอุบายบอกให้คิดพิจารณากายเคยได้ยินไหมเรื่องพิจารณากายอันนั้นเป็นอุบายนะไม่ใช่วิปัสสนานะเป็นแค่อุบายกระตุ้นให้จิตที่ติดสมาธินิ่งๆเฉยๆนะั้นออกมาดูความเปลี่ยนแปลงของกาย เป็นการกระตุ้นให้เดินปัญญานะเพราะฉนั้นไม่ใช่ออกจากสมาธิแล้วก็เฉยเฉยเฉยเฉยไอ้นั่นโง่าตายเลยโง่หลายนะเรียกโง่หลายทางอีสานนะ่ะครูบาอาจารย์บอกโง่หลายออกจากสมาธิดูกายถ้าจิตมีกําลังพอนะเคยเดินปัญญามาแต่ชาติก่อนๆ น, นะพอทําสมาธิออกจากสมาธิมันเห็นกายเดินอยู่ใจเป็นคนดูเลยนะ เห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราเลยเป็นของถูกรู้ถูกดูเลยแต่ถ้าไม่เห็นต้องช่วยมันคิดคิดทั้งตัวคิดยังไม่ออกดูไปทีละส่วนดูไปเส้นผมเอามือจับผมเลยเส้นผมเนี่ยดูไปไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะขนขนคิ้วผู้หญิงบางคนไม่มีขนคิ้วมีแต่คิ้วไปทาสีไว้เฉยๆขนนักแข่งก็คงจับยากเอาเวน้นขนเซะก็ได้นะเอาเล็บเล็บเล็บเล็บก็ไปพอกอะไรไว้อีกเนาะ เล็บไม่ใช่ตัวเราผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะดูไปเป็นส่วนเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญานะต่อไปเวลาจิตมันเดินปัญญาของมันเองพอออกจากสมาธิปุ๊บมันเห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นฟุนยน์ตัวหนึ่งเป็นวัตถุธาตุที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยล้างความเห็นผิดว่ากายเป็นตัวเราได้นะแล้วจิตเป็นคนดูดูไปดูไปจิตก็ไม่ใช่ตัวเรา ทีดูไปจนร่างกายระเบิดหมดเลยนะสลายหมดเข้ามาที่จิตเห็นอีกจิตไม่ใช่เรานะกายก็ไม่ใช่เราจิตที่ไม่ใช่เราก็เป็นพระโสดาบันเท่านั้นเองนะนี้บางคนจะดูจิตไม่ต้องไปนั่งสมาธิให้ยุ่งยากรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดสดร้อนรตอนนี้ไปเรื่อยๆนะแต่บางทีต้องช่วยมันนิดหน่อยให้มาดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดสดร้อนรมันดูไม่ทันใจมันหนีไปคิดตลอดเวลานี้ช่วยมันนิดหนึ่งหาบ้านให้จิตอยู่นะแต่ไม่ถึงขนาดว่าต้องเข้าฌานหรอก อาจจะใช้พุโทโธก็ได้พุโทโธไปพุโทโธไปจิตนี้ไปแล้วรู้นะแล้วก็ใช้ใจสบายสบายนี่แหละตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจมันคิดใจมันนึกใจมันปรุงมันแต่งให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทํางานไปตามธรรมชาติพอตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทํางานไปตามธรรมชาติแล้วความรู้สึกมันจะเปลี่ยนที่ใจเช่นตามองเห็นสาวสวยใจเกิดราคะตาเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจเกิดความกลัว พอตามมองเห็นรูปเรารู้ทันใจตัวเองเนี่ยหัดดูจิตอย่างนี้การดูจิตไม่ใช่เป็นนั่งจ้องจิตนิ่งๆว่างๆอยู่ที่จิตนะไอ้นั้นเป็นสมถกรรมฐานถ้าจะทําดูจิตให้เป็นวิปัสสนาเนี่ยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติใจคิดอะไรก็ได้คิดไปแล้วเกิดสุขขึ้นมารู้ทันคิดไปแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมารู้ทันคิดไปแล้วเกิดกุศลอกุศลรู้ทันนี่หัดรู้อย่างนี้เรื่อยไปนะครับอาจจะมีเครื่องช่วยนะ มีพุโทโธพุโทโธเป็นเครื่องช่วยซะหน่อยเป็นการเพิ่มสมาธิสันิดหนึ่งสําหรับคนที่ฟุ้งซ่านมากๆนะบางคนฟุ้งซ่านมากนะมันดูอะไรไม่ออกอะ่ะก็พุโทโธพุทโธไปหน่อยพุโทโธแล้วจิตหนีไปแล้วรู้พุโทโธไปพุโทโธไปหนีไปคิดแล้วไปคิดอันนี้จิตเกิดกุศลจิตเกิดอกุศลก็รู้ทันนะถ้าไม่มีเครื่องอยู่เลยเวลาหลงหลงยาวคนส่วนใหญ่หลงวันละครั้งคือตั้งแต่ตื่นจนหลับนะ พวกเรานักปฏิบัตินะหลง1้0ครั้งพันครั้งหมื่นครั้งนะยิ่งหลงบ่อยยิ่งดีแสดงว่าสติเกิดบ่อยนะได้หลักไหมขั้นแรกดูตัวเองนะจริตนิสัยเราเป็นอะไรเรารู้นะเราต้องเดินปัญญาถ้าเรามีปัญญาแล้วนะเห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจแล้วตัณหาจะถูกทำลายความอยากจะไม่เกิดมันจะเห็นความจริงเลยกลายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์ ความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพน้นทุกข์ไม่มีตัณหาไม่เกิดความดิ้นรนทางใจจะไม่มีความปรุงดีก็ไม่มีความปรุงชั่วก็ไม่มีความปรุงว่างก็ไม่มีใจที่พ้นความปรุงแต่งพ้นกิเลสพ้นตัณหานั่นแหละใจดวงนั้นแหละเป็นใจดวงวิเศษที่จะสัมผัสพันธิพาณเป็นใจดวงที่เต็มที่อิ่มนะมีความสุขเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองงั้นเราจะไปถึงใจดวงนี้ได้นะัต้องมาเดินตัญญาเห็นความจริงของกายของใจ จนกรทั้งมนุไม่รักน่ะมันเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ของดีของพิเศษนี่จะดูกายหรือดูใจจะเริ่มจากอะไรก่อนก็ดูนิสัยของเรานะถ้าเราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็มเอากายเป็นหลักไว้แต่ก่อนจะดูกายทําสมาธิสัก่อนพุทโธ ไ, ไปแล้วจิตหนีไปเรารู้พุทโธไปจิตหนีไปรู้หายใจไปจิตหนีไปรู้ดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปรู้จนจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงเป็นคนดู นะแล้วก็มาดูกายถ้ามันไม่ยอมดูช่วยมันคิดพิจารณาถ้ามันยอมดูแล้ว <S <S อย่าไปคิดเอาดูของจริงนะถ้าจิตใจเราเป็นคนช่างคิดคิดมากชอบวิพากษ์วิจารณ์ให้ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตพวกคิดมากเนี่ยจิตเปลี <priority> ่ยนเร็วมากเลยคิดเรื่องนี้จิตเปลี่ยนอย่างนี้คิดเรื่องนี้จิตเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เปลี่ยนตลอดเวลาเราดูความเปลี่ยนแปลงในสุดเราก็เห็นมีแต่ของไม่เที่ยงดูจิตจะเห็นความไม่เที่ยงง่ายเลยเพราะเปลี่ยนเร็วมากเลย แนี่ยดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆสุดก็จะเห็นนะกายนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเบื้องต้นจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราเป็นแต่สภาวะทำรูปธรรมนามารำไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นอย่างนี้เป็นพระโสดาบันเห็นความจริงลึกซึ้งลงไปอีกธาตุขันมีแต่ทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นทุกข์ล้วนหมดความยึดถือในธาตุขันก็เป็นพระอรหันต์ ใม่มีแต่เรื่องรู้กายรู้ใจนะตั้งแต่ต้นทางจากโสดาบันยันพระอรหันต์มีแต่เรื่องรู้รูปนามทั้งนั้นลไม่มีอย่างอื่นหรอกรู้อย่างที่เขาเป็นนะรู้กายรู้ลงปัจจุบันนะปัจจุบันขณะรู้จิตเป็นปัจจุบันสันติต่อเรื่องกับปัจจุบันดูไปนะให้หลักนะแล้วจะตอบได้ไหมหลวงพ่อประโมทสอนอะไรสอนดูกายหรือสอนดูเวทนาหรือสอนดูจิตหรือสอนให้ทา สอนให้ทำสมาธิก่อนหรือเปล่าหรือสอนให้เดินปัญญา ก, ก่อนพูดมาถูกหมดเลยแต่ถ้าพูดส่วนเดียวก็ผิดแนะพูดไม่ครบนะลูกสิษย์หลวงพ่อบางคนนะทำสมาธิและปัญญาควบกันมีนะไม่ใช่ไม่มีแต่น้อยคนรุ่นเราที่ทรงฌานชำนิชำ น, ชำนาญในฌานมีไม่มากนะของเรามันวุ่นวายวันๆ น, น, นะฟุ้งซ่านนะคนเมืองนั่นแหละเหมากับการดูจิตดูใจตัวเองใจเราเปลี่ยนทั้งวัน แค่เปิดมือถือมาใจก็เปลี่ยนแล้วเปิดคอมพิวเตอร์มาใจก็เปลี่ยนแล้วดูโทรทัศน์ดูหนังสือพิมพ์ใจก็เปลี่ยนแ ล, น ล, นล้ขับรถไปใจก็เปลี่ยนตลอดเวลากระทบอารมณ์แล้วก็เปลี่ยนตลอดงั้นเรามาดูตัวเองนะกรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเราแล้วเดินให้ถูกทางสุดท้ายปัญญามันก็เกิดแต่พื้นฐานที่ทิ้งไม่ได้ต้องรักษาศีลหถ้าศีลหไม่มีนะอย่ามาอวดเลยว่าจะมีสมาธิอย่ามาอวดเรื่องปัญญาไม่มีหรอก นะรักษาศีลห้าไว้นะไม่ได้อะไรเลยได้ศีลก็ยังดีนะได้ศีลแล้วก็มาฝึกให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่ามีสมาธิมีสมาธิแล้วนะคอยมาดูกายดูใจทำงานถ้าจะดูกายก็มีสมาธิมากหน่อยถ้าดูจิตใจก็ใช้สมาธิไม่มากแต่ต้องมีสมาธิทั้งคู่แหละไม่ใช่ไม่มีสมาธิทำอย่างนี้ได้วันหนึ่งก็เห็นพระนิพพานได้นะ อ้าเท่านี้ก่อนยากไปไหมว่าจะเทศให้ง่ายแต่ถามแล้วไม่มีใครบอกไม่เคยฟังถ้าเคยฟังแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกถ้าไม่เคยฟังก็ยากหน่อยที่ยากเพราะไม่เคยฟังถ้าเคยฟังนะฟังซ้าแล้วซ้ำอีกไม่ยากหรอกอ้าเชิญนำ้ำมศการค่ะหลวงพ่อมาร า, รายงานผลการปฏิบัติค่ะดูใช้พุโทโธในชีวิตประจำวันค่ะ เห็นจิตที่ไหลไปสลับกับพุทโธค่ะทั้งเกือบทั้งวันค่ะแล้วก็จะเห็นจิตที่ไหลไปเวลาสวดมนต์ยาวๆอะค่ะอืแล้วก็จะเห็นเวทนาแยกออกจากกายจะเห็นจิตไม่ใช่กายค่ะแต่เห็นทีเราแวบๆเห็นทีเราแค่นิดๆหน่อยๆอะค่ะนั่นแหละเห็นทีเราแวบๆอะเห็นถูกนะแล้วหนูจะเดินต่อไปยังไงคะทุกวันทําในรูปแบบนะรักษาศี่ห้า ทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบ10บนาทีก็ยังดนะีแรกๆเอารอบเดียวก็ได้ตนะ่อไปก็เพิ่มรอบเช้าสายบ่ายเย็นแบบนี้มีเวลาก็เพิ่มข้าไปในะหม่ๆเอาสคกสิบนาทีก็ไดนะ้หากทำในรูปแบบนะไหว้พระสวดมนต์ไปแล้วก็พุโทโธไปรัรู้ทันจิตไปจิตไหลแล้วรู้รู้รูรนะ้ถัดจากนั้นมาเจริญสติในชีวิตประจวัน ตาหัวจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์แล้วจิตเปลี่ยนแปลงรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไม่เข้าไปแทรกแซงก็นะเดินอยู่นี้เรื่อยๆไปของคุณสมาธิพอหรือเปล่าไม่ค่อยพอค่ะนะรู้ตัวเองดีละสมาธิอ่อนไปหน่อยเพิ่มสมาธิเพิ่มสมาธิขึ้นวิธีเพิ่มสมาธิพุทโธนั่นแหละพุทโธนี้ต้องต้องนั่งในรูปแบบหรือว่าอยู่ในชีวิตประจำวันในชีวิตประจําวันก็ได้นะ แต่ขเข้าห้องน้ำอย่างพุทธโธได้บางคนบอกอย่าไปพุทโธเดี๋ยวพระพุท ธ, ททธเจ้ามองเห็นพถ้าไม่มองหรอกพุทธโธแล้วบางทีช่วงที่เราพุทธโธอะค่ะจะหายไปแล้วก็พอจะกลับมาก็รู้ว่าหลงไปแล้วอะไรเออหายไปนานไหมบางครั้งไม่นานบางครั้งนานค่ะถ้าไม่นานอะดีนะถ้านานไม่ดีแสดงว่าสติอ่อนไปแล้วนะเพิ่มความใส่ใจมากขึ้นถ้าถ้าหลงนานนะ คอนเซนเทรตเยอะขึ้นเลยจะได้หลงสั้นแต่ไม่ใช่ไม่ให้หลงเลยห้ามไม่ได้โดยภูมิจิตของพวกเราหลงมากกว่ารู้ด้วยซ้ําไปเพราะฉั้นไม่ใช่ว่าจะทํากรรมฐานแล้วห้ามหลงไม่ใช่หลงก็ได้แต่อย่าหลงนานหลงนานน่าเกลียดการนมัสการหลวงพ่อค่ะจะให้หลวงพ่อดูว่าดูใช้แบบว่าดูจิตหรือว่าดูกายดูอะไรได้ละ่ะ เดี๋ยวนี้หลวกพ่อไม่ตอบแล้วแบบคิดถูกขีดผิดอ่ะไม่เอาอ่ะ <c oughs> เบื่อเคยดูอะไรเป็นคนช่างคิดไหมเป็นบ้า ง, างหรือว่ารักสวยรักงามมากอันไหนเด่นกว่ากันคิดมากว่ะโอ้คิดมากก็ดูจิตไปสิเห็นไหมจิตแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนกันดูไปอย่าให้ใจฟุง้งซ่าน จุดอ่อนของค า, ารวะนะสมาธิไม่ค่อยพอฟุ้งซ่านจุดอ่อนข้อที่สองคือไม่ต่อเนื่องทำทำหยุดหยุดถ้าเราแก้สองจุดนี้ได้นะไปได้สบายเลยเป็นค า, ารวะนะผัสสะแรงกระทบอารมณ์ทั้งวันนะใจกระเพื่อมก็ะเพื่อมนะเรามีสติรู้ไปด้วยปัญญามก็เกิดสิเกิดเร็วด้วยแต่ว่าต้องดูต่อเนื่องไม่ใช่นานๆดูทีสามวันมาดูสักทีนะึง พอครบสามเดือนหกเดือนทำไมเจ็ดเดือนแล้วยังไม่บรรลุอีกรวมชั่วโมงที่ดูได้สองชั่วโมงครึ่งองดูเยอะๆ ร, รู้รู้สึกเยอะๆนะมนสการค่ะกลัวไหมมา ก, กลัวมากใครนั่งตรงหลวงพ่อกลัวทุกคนเขาหนีกันนะเขาไม่นั่งเนี่ยเขา เ, เอาอะไรมานั่งแทนเนี่ย ที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูตัวกกุจจะค่ะเออเห็นไหมเห็นแต่ไม่ยอมไม่ยอมรับเพราะยังยังรักดีอยู่ก็รักดีก็ห้ามจัวหนักนะจัวเก้านี้อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําคุณแม่ปฏิบัติหนึ่งเดงไหนหลับคุณแม่คุณแม่นั่งข้างหน้าเสร็จแวนะคะผมสั้นนะคะก็คุณแม่สุดสานะจ๊ะอย่าห่วงคุณแม่เลย มองตนเองคุณแม่ดูท่าทางปัญหาน้อยเขาอนั่งอะไรน่ของหนูนะใจต้องกระปรี่กระเป๋าในการภาวนาหน่อยนะอย่าให้เฉยให้เหนื่อยเข้มแข็งหน่อยเข้มแข็งหน่อยแบ่งเวลาทำในรูปแบบทุกวันทำไหมตอนนี้ไม่ค่อยมีนัยอ่ะน่าแหละขาดตัวนี้แหละ เออนะขี้เกียจขาดวินัยเนี่ยเหมือนที่หลวงพ่อบอกเลยเนาะทาบ้างไม่ทาบ้างก็คือต้องมีวินัยนะต้องมีต้องมีวินัยนะโนสังเกตไหมในพระไตรปิฎกเคยอ่านบ้างไหมเริ่มต้นจากพระวินัยนะเริ่มจากพระวินัยโยมวินัยบ้างไม่ใช่ให้แต่พระวินัยคุณแม่ก็อย่าใจรอยนะ ก็าภาวนาไปใจมีความสุขใจมันกว้างออกนอกอะไรเงี้ยเรารู้ทันมันพย้อนเข้ามาค่อยๆย้อนมาดูกายย้อนมาดูใจของเราบ่อยๆก็จะดีนมัสกการหลวงพ่อครับครับผมก็ปฏิบัติมาประมาณสักเก้าเดือนแล้วครับก็มีสภาวะทางเกิดขึ้นตอนประมาณสองเดือนนะครับ ก็คือผมเห็นจิตมันปุดขึ้นมาเอ้ยความหงุดหงิดนะครับมันผุดขึ้นมาแล้วจิตมันก็อุทานเอ๊ะนี่หงุดหงิดนี่เออดีครับแล้วคราวนี้ผมแคเห็นเห็นไหมความหงุดหงิดก็โผล่ขึ้นมาเองจิตก็อุทานได้เองครับอแล้วคราวนี้ความุงยินมันเหมือนมันอยู่ห่างห่างใช่ก็ค่อยดูไว่นั่นแหละอย่างเนี้ยที่หลวงพ่อว่ามันแยกธาตุแยกขันใช่ไหมความหงุดหงิดกับจิตไม่ได้รวมกันนะมันห่างห่าง แล้วพอดูความมุ่ยมิดไปสักพักนึงเห็นคล้ายๆว่าเหมือนมันจิตมันไหลจะเข้าไปออเกาะอารมณ์ความมุ่ย<ด>ม <ะ S 2> ิดแต่ว่าเห็นมันก่อนมันก็เลยดับไปกลางทางอื ม, อมตอนนี้ผมก็เหมือนความรู้สึกว่ามันนิ่งนิๆๆ่งนิ่งลงเรื่อยๆครับอืมันนิ่งลงเรื่อยๆแต่ว่ายังรู้สึกตัวอยู่ครับมันก็คืออย่าน้อมใจให้นิ่งกันแล้วกันครับขนาดนี้นิ่งเป็นปกติหรือนิ่งเกินปกติขนาดนี้ใช่ไ่มครับ รู้สึกว่ามันไม่มันผิดปกติอะครับนั่นบังคับไหมก็มองไม่ออกครับอใจแน่นๆน่นไหมใแน่นนิดเออถ้าใจแน่นๆน่ะแสดงว่าบังคับไหมครับแสดงว่าเราบังคับทําไมเราบังคับเราตื่นเต้นเราไม่อยากตื่นเต้นให้รู้ทันใจที่ไม่อยากไปการหัดดูจิตดูใจนะทีแรกมันดูง่ายเพราะมันมีกิเลสอยากให้ดู พอสติเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยกิเลสหยาบไม่มีโอกาสเกิดกิเลสก็เหมือนไฟไหมอ่ะก่อนจะไฟไมหมใหญ่ๆทั้งหมู่บ้านนั้นก็ไหมนิดเดียวก่อนนะการหัดดูจิต ด, ดูใจก็เหมือนกันทีแรกดูช้าดูไม่ไวสติไม่เร็วไฟไหมเยอะแล้วโกรธอย่างแรงแล้วถึงจะเห็นโลบอย่างแรงแล้วถึงจะเห็นแนะต่อมาเราฝึกจนกระทั่งมันสปักขึ้นนิดหนึ่งไฟแวบก็เห็นแล้วจะผุดขึ้นอย่างตรงที่มันผุดตัวนั้นขึ้นมานะที่กิเลสมันผุดนั่นแหะ ปุที่เดียวกันนะแต่อย่าจ้องอย่าไปรอดูตรงที่มันผุดนะอมันผุดขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่าจ้องแล้วปุดขึ้นมาก็อย่าตามมันไปแค่รู้เฉยๆดูห่างๆดูห่างๆไว้ละดีแต่ตอนดูห่างๆก็อย่าจงใจให้ห่างมันห่างของมันเองถึงจะดีถ้าจงใจดึงให้ห่างไม่ดีนะครเป็นการประคองจิตมันรู้สึกว่ามันน่จะห่างของมันเองนะครับเออมันห่างเองไม่ว่ามัน มันเห็นมันเห็นนําแสงนะครับเป็นแนวตั้งครับแสงที่สว่างจ้ามากมานะครับให้รู้ที่จิตครับไม่เอาที่แสงนะแสงเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าพอรู้เสร็จแล้วเหมือนว่ามั น, มนจะมีแสงรอบทิศทางเกิดขึ้นเหรอธรรมดาจิตมันสว่างนะครับจิตมันมีรัศมีอย่างเทวดาแต่และองค์แต่และองค์ก็มีแสงนะแล้วแสงไม่เท่ากันหรอก ของคุณแสงเท่าไหร่ดูออกไหมดูไห้ออกครับ<อ>ผมเห็นว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วโอ้ส ถ, ถึงไม่มีที่สิ้นสุดนี่นะก็าชนานาญหน่อยละเครฝึกมา <c oughs> อย่าตามมันไปนะอย่าตามมันไปนะอย่าตามแสงไปให้ดูทันที่จิตเช่นแสงสว่างขึ้นมาจิตมีความสุขรู้ว่าสุขจิตพอใจรู้ว่าพอใจนะจิตสงสัยลังเล รู้ว่าลังเลนะก็เฝ้าดูไปครับแล้วมันก็เกิดอย่าาตเป็นอาการสั่นสะเทือนสองครั้งครับที่เกิดขึ้นเออดีสั่นสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนผมก็ผมไม่รู้นะขนาดนั้นผมก็มองดูแต่คล้ายว่าแสงรลบวิดทางแล้วปิดก็ถอยกลับแล้วเทวดาอนุโมทนามั้ยผมไม่เห็นครับไม่เห็นนะไม่มีเออดูที่จิตนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ทันที่จิตไปมันก็จะล้างกิเลสไปเรื่อยๆไป กิเลนโผล่ขึ้นมาจากจิตนั่นแหละเราล้างกิเลสตัวไหนได้บ้างแล้วหรือว่าล้างไม่ขาดหังจากนั้นผ ม, ผมก็เฝ้าดูมาประมาณหกเดือนผมก็ไม่แน่ใจอะครับผมก็คือสภาวะผ่านไปแล้วก็คือมันวิธีวิธีธดูนะใจต้องไม่ไปติดอยู่ในภพอันใดอันหนึ่งนะ <c oughs> ใจต้องเป็นธรรมชาติใจเป็นธรรมชาติแล้วก็ปล่อยให้เขาทำงานดูซิจะมีตัวตนอะไรโผล่ขึ้นมาไหมนะ ดูวิธีดูดูอย่างนี้แต่ถ้าใจเป็นล็อกอยู่อย่างตอนนี้ใจเป็นล็อกอยู่อย่างนี้ดูไงก็ไม่มีถ้าดูตอนนี้ไม่มีนะวัดอะไรไม่ได้มันเออเริ่มไปดูไปพนานาได้ดีอยู่โอ้พอนานาดี<ข> อ, อ่ะต่อไปทัานม่าหลวงพ่อค่ะก็ฟังซีดีของหลวงพ่อในรถแล้วก็ตักบาบ้างแต่ว่าไม่ค่อยต่อเนื่อง ตักบาตไม่ต่อเนื่องก็ถูกแล้วก็ตักแต่เช้าเช้า่ใชแล้วก็อยากทราบว่าอย่างเช่นเหมือนกับเวลาเราอยู่นั่งเฉยๆหรือทําอะไรไปแล้วเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเมื่อกี้เราคิดหรือว่าเราอะไรไปนี่คือเหมือนกับนี่คือการรู้สึกตัวหรือใช่ใช่นะแต่ให้มันรู้ใบๆหน่อยของหนูหาเครื่องช่วยนะจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้นะแล้วค่อยรู้ทันจิตไป จิตไหลไปเรารู้ไหลไปเรารู้ใจจะได้กำลังตั้งมั่นสลับไปมันจะอยู่กันเนื้อกับตัวขอบคุณค่ะการราชการหลวงพ่อครับเอาผลการปฏิบัติมาส่งครับผมดีก็ทุกวันนี้ก็คือจะทำในรูปแบบทุกวันเลยครับก็จะมีเดินจงกรมสวดมนต์แล้ว น, นั่งสมาธิครับ ก, ก็ทำตลอด ไม่เคยขาดเลยครับแล้วก็การนั่งสมาธินี้ก็คือก็บริกรรมพุทโธพุทโธไป<ม>กิจไรไปก็รู้อรั<ม>ก็บางทีนั่งไปนานๆก็เกิดเวทนาขึ้นก็ก็รู้แล้วก็เหมือนกับว่าเวทนาเขาอยู่<ม>ยต่างหากใช่มีมอยู่ทั้งคนดูใช่รู้สึกไหมกายก็อยู่ต่างหากเวทนาก็ต่างหากนะครับผมแล้วก็ฉิตเทือต่หากครับผมแล้วก็สักพักเวทนาหายก็ก็เกิด สิ่งอย่างอื่นขึ้นมาก็นั่งไปพูดโทไปก็จะแบบไหลไปเรื่อยไปทางนู้นทางนี้มากก็คือทียิบเลยครับเดี๋ยวไอ้นู้นก็ขึ้นแล้วก็เกิดไอ้นี่ขึ้นมาแต่ก็รู้ทันทุกอย่างก็ดับไปรบเราจะดูกายดูใจนะเหมือนเราดูละครดูละครแล้วก็นั่งดูเฉยๆนะไม่โดดเข้าไปในเวทีแต่เห็นมันผ่านมาผ่านไปเราอย่าไปวิ่งตามมันไปแล้วก็เวลานอนนอนนี่บางที จะมองเหอนเหมือนตัวเองนอนอยู่แล้วก็เป็นคนดูเขานอนนั่นแหละดีเหมือนเหมือนนอนตอนนอนก็พูดโทด้วยเนี่ยดีดีโทรไปก็เหมือนกับก็กายมันหลับแล้วแต่กิดมันเหมือนมันตื่นอยู่ใช่ใช่เออดีพอเช้ามาก็เช้ามาก็จะรู้สึกตื่นเบิกบานผมแล้วก็ ก็จะพุโทโธแล้วก็ภาวนาตั้งแต่ตื่นนอนเลยจนถึงเวลาทํางานเวลาทำงานก็ทําแบบเต็มที่อือืมอืมอีนี้พอเลิกจากงานก็ภาวนาต่ อ, อดูจิตดูกายตัวเองไปตลอดอย่างนี้ครับดีทำไปไม่ไม่ไม่เคยเว้นเลยแล้วก็คิ ด, ดว่าคิดว่าจะภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาเอแล้วก็ถวายหลวงพ่อด้วยโอ้ชอบนะสาธุ เอาของอื่นมาถวายนะเราก็ส่งไปถวายที่อื่นหมดนะก็การปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้คิดว่าใช้แบบนี้ได้ได้นะศีลของเราดีสมาธิของเราดีคือใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะรเราเดินปัญญาเราแยกธาตุแยกขันได้ครับ น, นที่พลาดนะหลายเรื่องเลยนักปฏิบัติที่ทํากันแทบเป็นแทบตายเราไม่ได้นะอันแรกสมาธิไม่มี มันมีแต่สมาธิที่เคลิ้มเคลิ้มไปไร้สาระสมาธิตั้งมั่นไม่มีใช่ไหมแล้วก็แยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นมันเดินปัญญาไม่ได้เนื่พลาดอยู่สองจุดนี้แหละถ้าผ่านสองจุดนี้นะอย่าไปกลัวเลยว่าจะไม่มีมรรคผลนิพพานนะครับก็หลวงพ่อฮะมีมีก็ทุกวันนี้ก็จะบางทีก็จะตือสิ้นแปดอยู่อย่างนี้ก็ก็แบบนี้ก็แต่ว่า ก็เคยแนะนําคนอื่นนะแต่ว่าไม่อยากจะให้แนะนําคนอื่นทําแต่ว่าตัวเองก็ปฏิบัติมาคิดว่าทําได้แต่ก็ไม่เป็นผลกับการร่างกายของตัวเองก็คือคือทำมาตลอดทำไปทำได้ก็ทํำดีครับผมเอาต่อไปคนนี้กลัวจะแย่แล้วโยมยิ่งพูดนานนะอินูนีิสันมากขึ้นมากขึ้นนะเดี๋ยวคนนึกว่าเจ้าลง หายตื่นเต้นยังหลวงพ่อคุยเล่นด้วยเนี้ยการนมัสการค่ะหลวงพ่ อ, อเอื่อวันนี้ก็ทั้งพยายามรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะอยากทราบว่าทําถูกหรือเปล่าอ่ะค่ะอืศีลเราดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะใจอยู่กับเน้อกับตัวมากขึ้นไหมมากขึ้นค่ะแยกธาตุแยกขันเป็นไหมไม่เป็นค่ะอหัดซะ หัดไปวิธีหัดธอนั่งไปสบายๆเห็นร่างกายมันหายใจอยู่ใจเราเป็นคนดูนะหรือดูทันใจของเราใจมันโลภขึ้นมาใจมันโกรธขึ้นมาใจมันหงุดหงิดขี้หงุดหงิดไหมขี้หงุดหงิดเออนะเป็นคนมีบุญเวลางุดหงิดขึ้นมารู้ทันหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันนะ อ, อตัวนี้เราทํากรรมฐานได้ง่ายเลยเพราะว่าโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่ดูง่ายถ้าไม่ดูเราก็ตกนรกไปนะะโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่พาไปลงนรกนะ แต่ถ้าเราดูทันนะ เ, เจริญสติได้เร็วมากเลยมันเกิดได้ทั้งวันนะหนูเอาโทรศัสนีแหละเป็นเครื่องอยู่ของจิตได้นะพุดโธไปแล้วจิตหงุดหงิดเลยขึ้นมาหนูรู้ทันจิตหงุดหงิ ด, งดรู้ทันนะตัวนี้จะดีมากเลยแล้วจะพัฒนาได้เร็วไม่ต้องกลัวตกนรกเลยพอยอ ม, มาบาปานเห็นนะส่หน้าไม่เอา <c oughs> เพราะว่าคนมีสติลงนรกไม่ได้นะฝึกนะฝึกดูดูจิต <c oughs> ดูจิตตนเองนั่นแหละ นมาสักครัครับหลวงพ่อก็ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ฝึกมาประมาณสามเดือนครับก็จะดูจิตว่าหนีไปคิดเงี้ยครับแล้วก็หรือพอจิตไม่หนีเสร็ก็มาดูกายเงี้ยครับไม่แน่ใจว่าดูถูกไหมครับก็ถูกนะก็ะค่อยๆดูไปนะมันก็จะค่อยรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้รู้สึกหรือยังว่าร่างกายกัยกบจิตเป็นคนละอันกันเห็นบ้างไหม ก็ไม่ทราบว่าที่ดูอยู่ถูกหรือเปล่าแล้วรู้สึกไหมว่ากิเลสกับจิตเป็นคนละอันกันก็รู้สึกครับเอออย่างนั้นก็ใช้ได้นะดูไกลอยู่ต่างหากจิตอยู่ต่างหากแบบนี้ก็ได้อย่างนี้เรียกว่าดูกลายเห็นกิเลสอยู่ต่างหากจิตอยู่ต่างหากอันนี้เรียกว่าดูจิตะแล้วก็ดูทันมันไปก็ทําถูกนั่นแหละนะแต่ต้องทําอีกครับผมบคุรับทำในรูปแบบได้ไหม ไไม่่คอยด้เอาซีเอาทาไม่มีใครเขาว่าหรอก <c oughs> ทําทุกวันได้นะเอาสิบนาทีตั้งสัจจะกับตนเองสิบนาทีทุกวันนะเราจะไหว้พระสวดมนตน์แล้วก็นั่งพุโทโธไปดูใจของเราไปอย่างเงี้ยแค่สิบนาทีเท่านั้นส่วนมากก็จะเล่นเกมเงี้ยครับแล้วก็ดูดูใจที่หนีไปได้ไหมโอ้ไม่ไหวเกมแบบเลื่อนตัวต่อเงี้ยครับแล้วก็ดูใจที่มันหนีไปออื ก็ยังดี่าเล่นหุ้นแล้วดูใจ้เล่นหุ้นแล้วดูใจไม่เห็นไปรอบสักไรับ ค, ครับอดทนนะอดทนเข้าเพื่อชีวิตของเราลงทุนหน่อยนะอ่ะว่าไปกล่าบนมาสการคะ่ะหลวงพ่อก็ครั้งล่าสุดไปส่งกันบ้านหลวงพ่ อ, อก่อนหนูจะส่งกันบ้านหลวงพ่อถามว่าถามญาติญาต ญาติโยมว่ามีใครเคยทุกข์จนน้าตาไหลไห ม, มหนูก็นั่งคิดเพราะว่าตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมาหลายปีอะค่ะยังไม่มีความทุกข์ใดๆที่ทําให้หนูทุกข์จนน้ําตาไหลได้แต่มันก็เป็นอเน จ, จังค่ะคือหลังจากออกจากวัดหลวงพ่อค่ะมัมีภัสสะเข้ามากระทบอืทําให้มันทุกข์มากอะค่ะแล้วหนูก็น้ําตาไหลอืแล้วหนูก็คิดถึงคาพูดของหลวงพ่อค่ะอืแต่หนูก็ ก็พยายามหนูก็ดูดูความทุกข์มันนะคะแล้วก็ดูร่างกายดูว่าเออเราเรามีความทุกข์เพราะว่าเรายึดในอัตตาตัวตนของเราธ็ดีสิแล้วดูไปนะเบื้องหลังมันต้องมีความอยากซ่อนอยู่ะนะอยากให้ไม่ทุกข์อะค่ะเออนะ อ, อให้รู้ตัวนั้นนะพอใจมีความอยากใจก็ปรุงไปเรืนะ่อความอยากก็ทําให้เกิดการปรุงแตง่งถ้ารู้ทันความอยากนะความปรุงแต่งก็ไม่มีถ้าไม่ปรุงแต่งก็ไม่ทุกข์หรอก ไปดูต่อไปนะที่ฝึกอยู่น่ะดีแล้วล่ะทำธรรมะเขาสอนเรานะเข า, ขาสอนมวยให้ดูว่าอย่าประมาณนะกราบขอพระค่คะคะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านครั้งที่สองค่ะครั้งแรกเมื่อสามปีที่แล้วค่ะระหว่างทางไม่กล้าส่งเพราะว่าเหมือนไม่มีอะไรก้าวหน้า เพราะว่ามันยังหลงยาวอยู่ทุกวันนี้ก็ยังหลงยาวอยู่เลยค่ะทำในรู้แบบโดยการสวดมนตน์ตอนก่อนนอนแล้วก็ตื่นตื่นนอนค่ะแล้วก็เดินจงกรมก่อนนอนค่ะแค่ว่าเจอคนนี้ยินดีรู้ทันเจอคนนี้ยินร้ายรู้ทันถึงจุดหนึ่งมันเทิจะเห็นว่าจิตจะยินดีหรือจิตจะยินร้ายก็ห้ามไม่ได้แล้วจิตที่ยินดีก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ยินร้ายก็อยู่ชั่วคราว ดูไปเรื่อยนะต่อไปพอมันเริ่มเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวมันจะเป็นกลางแล้วก็ปัจจุบันนี้กอ็อยู่ในรูปแบบนะคะก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบ้างดีแต่เราช่วงที่นั่งสมาธิบางทีก็จะมีอาการากแปลกๆคือบางทีก็รู้สึกว่าตัวหายไปยแต่ว่าก็กจะมีมตัวตัวรู้ว่าเออตัวเรามันไม่มีแล้วก็ฟักหนึ่งก็หายไปแล้วก็อะไราหายตัวรู้หายก็คื อ, คอพอเรารู้แล้วมันก็ดับไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วตัวรู้ยังอยู่ไหม ก็ยังอยู่ก็เออเต้องตัวรู้ยังอยู่น ะ, ะให้โลกดับไปเลยก็ช่างมันแต่ต้องตัวรู้ยังอยู่นะแต่ว่าช่วงหลังๆนี้คือมันมีความฟุ้งมากก็เลยต้องเดินเยอะได้เดินะะได้ตอนนี้ก็ทำในรูปแบบนี้คืออย่าไปอยากให้ใจเป็นกลางนะเจอคนมากๆนั่นดีแล้วมีผัสสะถ้าคอยรู้ไปเจอคนนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้เห็นไหมความรู้สึกนี้ก็อยู่ชั่วคราวเจออีกคนหนึ่งความรู้สึกก็เปลี่ยนความรู้สึกอันนี้ก็อยู่ชั่วคราวดูอย่างนี้เรื่อยไป แต่ก็ใช้พุโทโธด้วยค่ะตอนเช้าตื่นมาไปปั่นจักรยานไปตลาดเนี้ยค่ะก็ใช้พุโทโธดีดีก็ให้รู้ว่าถ้ามันไหลคิดก็พุโทโธอะไรเงี้ยค่ะอย่าให้จิตรวมนะอย่าปั่นไปใต้รถบรรทุก <c oughs> <c oughs> แล้วรู้ตัวไว้ภาวนาไปหลวงพ่ <c oughs> อมีขอแนะนําค่ะต้องต้องเด็ดเดี่ยวนะทําอย่างเด็ดเดี่ยวสม่าเสมอเด็ดเดียวไปต้องต่อเนื่องะคฮะต้องทําแบบต่อเนื่องใช่ แล้วทําซื่อๆดูไปซื่อๆก็ใช้ทํางานบ้านด้วยค่ะคื่อฟุ้งมากๆก็เคลื่อนไหวทํางานบ้านดีขอบพระคุณค่ะมัสมการหลวงพ่อค่ะพอดีเพิ่งเริ่มฟังเซีดีหลวงพ่อค่ะเมื่อตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเพิ่งเพิ่งเคยเพิ่งเคยได้ฟังอนะคะก็มีมีคําถามที่อยู่ในใจตลอดมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถามใครนะคะ อ, อย่างกรณีของว่า ที่หลวงพ่อบอกว่าพยายามให้เราลดลดความอยากของตัวเราจะได้ไม่ทุกข์กันนะคะแต่ว่าบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราไม่อยากทําอะไรหรือไ ม, ไม่ไม่รู้สึกอยากอะไรเนี่ยเราจะไม่ตั้งใจที่จะทําให้มันดีที่สุดนะคะอั น, นอันนี้เป็นความกลัวซึ่งไม่แน่ใจว่าควรจะทํายังไงให้มันหายความกลัวเวลาความอยากเกิดขึ้นนะให้รู้ทันพอความอยากเกิดขึ้นรู้ทันแนละ้วความอยากก็ดับไปคราวนี้จะเหลือเหตุผลแนละ้ว อะไรที่ควรทำเราก็ทำอะไรไม่ควรทำเราก็ไม่ทำเราไม่ได้ทำเพราะความอยากนะเราทำเพราะมันมีเหตุผลที่สมควรจะทำพระพุทธเจ้าไม่มีตัณหาทำไมพระพุทธเจ้าไม่ขี้เกียจพระธเจ้าทำงานหนักนะทั้งวันทั้งคืนเลยสอนทั้งคนสอนทั้งเทวดาอ่างเงี้ยเยอะแย ะ, ยะทำไมเราเราไม่คุ้นเคยกับโมทีฟในทางบวกอะ่นะอย่างความเมตตาการุณาอะไรก็ทาให้ขยันได้ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานก็ทําให้เราขยันได้ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นกิเลสหรอกที่จะผลักดันให้เราทำโน่นทํานี่ไม่งั้นคนที่หมดกิเลสก็ขี้เกียจสิไม่มีนะคนหมดกิเลสยิ่งขยันใหญ่เลยคือการรู้สึกว่าตัวเองเฉยๆอะค่ะคุณแม่นั่นแหละขี้เกียจละ <c oughs> ให้รู้ทันนะนั่นแหละกิเลสละ <c oughs> ช่วยให้รู้ว่ามันไม่อยากทํางานใช่ไหม ให้รู้ทันเลยใจไม่อยากทำงานรู้ลงไปเลยแล้วก็ขยันทำดัดนิสัยมันนะทำงาน <Okay. S 1> ของตัวเองหรือหรือว่ารับจ้างอะไรอย่างนั้นก<ค>ิน <ทำ S 1> เงิ น, <ค>นเดือนออทำของเราเองก็ต้องรับผิดชอบเนาะนามส ก, การ์คะ่ะหลวงพ่อคือช่วงหลังปฏิบัติก็รู้สึกว่าดูจิตได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่า คือตอนแรกรู้สึกปฏิบัติแล้วมันก็ห่างจากความทุกข์ค่ะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยรู้สึกมันเห็นทุกข์เยอะมากเลยค่ะแล้วเหมือนจิตมันเข้าไปติดอยู่ในความรู้ท<า>ัท<า>ง้ทงที่รู้แต่ว่ามันก็ยังมันก็อยากเต้าอยู่ค่ะให้รู้ทันสีใจไม่ชอบความทุกข์ใจไม่เป็นกลางปัญหาอยู่ที่ใจไม่เป็นกลางใจอยากให้ความทุกข์หายไปอยากให้มันไม่มีความทุกข์พอใจเราไม่เป็นกลางใจเราก็ดิ้นนะดิ้นแล้วไม่ได้อย่างใจใจก็โมโหนะค่ะคือตอนนี้แม่ใจว่าไปติดอะไรอยู่ค่ะรู้สึกว่ามันอยากให้พ้นทุกข์ เรารู้ไม่ทันใจที่อยากจะพ้พนทุกข์อะเราเกลียด <ฮะ S 1> มันนะปัญหาก็คือไม่เป็นกลางต่อความทุกข์นั่นแหละแต่ในความรู้สึกบางทีเหมือนกับคือเหมือนกับรู้ว่าตอนเนี้ยเราก็รู้ว่าเราไม่ไม่ชอบไม่ไม่อยากให้มันเป็นทุกข์คือในความรู้ตรงนั้นคือมันก็เหมือนกับแวบๆขึ้นมาแต่ว่าในเหมือนเหมือนกับว่าจิตมันไปติดอยู่ในความทุกข์ขึ้นมันเศร้าอะค่ะเออถ้าเศร้าๆอย่าไปยอมมันนะรู้เข้าไปตรงๆเลยว่าใจมันกําลังเศร้าอยู่ดู <ฮะ S 1> มันเหมือนดูคนอื่นเศร้าเลย ค, ความวเศร้าอันนี้แบบต้องสู้ให้เข้มแข็งนะผู้หญิงไปติดเยอะค่ะแล้วถ้าเราหาอุบายทางออกเหมือนกับว่าไปหาเรื่องอย่างอื่นทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ผลหรอกมันหนีไปเรื่อยๆนะชีวิตเราจะหนีทั้งชาติไม่ได้หรอกต้องสู้มันดูเข้าไปเลยใจมันเศร้าดูเหมือนคนอื่นเศร้าอ่ะเราเป็นแค่คนดูแล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนกับว่าคือบางทีความรู้สึกจิตที่มันเกิดขึ้นมาคือตอนนี้เหมือนกับว่า ยังยังไม่ทันที่จะสามารถระบุบัญญัติคําพูดได้คือเหมือนว่าจิตมันมีแรงผลักขึ้นมามันก็รู้สึกแล้วว่ามันเป็นทุกข์แค่นั้นพอละนะไม่ต้องมีชื่อชื่อไม่สําคัญคมีอะไรต้องทำเกคนก็ให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบทุกข์อ่ะใจไม่เป็นกลางปัญหาอยู่ตรงนี้ต่างหากขอขอบพระคุณค่ะในความเป็นจริงยิ่งเราปฏิบัตินะเราจะเห็นโลกเป็นทุกข์นะแต่ใจเราเป็นกลางใจเราห่างโลกออกไปเรื่อย ก่อนน้นสอนหลวงพ่อค่ะการภาวนาตอนนี้ก็เห็นจิตกับกายแยกกันจิตกับสภาวะต่างๆแยกกันดีสิค่ะแล้วเป็นกลางไหมเป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางบ้างให้รู้ทันน ะ, ะรู้ทันไปแล้วก็ก็คือการภาวนาหนูใช้พุโทโธบริกรรมพุโทโธดีแต่ว่าช่วงหลังนะคะคือบริกรรมพุโทโธแล้วเหมือนกับว่ามันเหมือนตึงๆในหัวะคะ่ะอ ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องแก้ยังไงคะไม่แก้หรอกนะก็ <c oughs> ดูไปมันตึงนะเป็นของถูกรู้ถูกดูอีกนะ <c oughs> มันเป็นอาการทางกายมีเวทนาเกิดขึ้นมันตึงจริงตึงๆบางทีเพราะเราจงใจดูแรงไปก็ตึงได้นะ <c oughs> หรือบางทีเป็นคลื่นจากข้างนอกมาก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> มีหลายแบบแต่เราแค่แค่รู้ก็แค่สภาวะอันหนึ่งพอเรารู้แล้วจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบมันอยากหายรู้ว่า <c oughs> อยาก ให้ดูตรงที่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะรู้ทันจิตไหมจิตนะั้นหลงยินดีบ้างหลงยินร้ายบ้างอยู่ตลอดเลยให้รู้ทันตัวเนี้มากๆะนะหมดละนะออโอกาสสุดท้ายนี้นะครับก็จะขอเป็นตัวแทนญาติธรรมทุกท่านในที่นี้นะครับทั้งท่านที่นําปัจจัยเครื่องทายาธรรมมาถวาย แล้วก็ท่านที่ไม่ได้นํามาก็ตามแต่ว่าประสงค์จะอนุมโมทนาร่วมกันนะครับรวมถึงต้องการจะอุทิศส่วนบุญกุศล ต, ต่างๆให้ญาติพี่น้องหรือบุคคลต่างๆที่ท่านตั้งใจไว้นะครับก็ขอให้ท่านน้อมใจไปในระหว่างที่หลวงพ่อกล่าวคําอนุมโมทนานะครับ<ส>ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถาวายเครื่องปัจจัยทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แต่พระอาจารย์ประโมทปรโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาณนานเทินยะถาว า, ารีวหาปุราปริปุเรนตีสาคารังเอวเมวายโตทินังเปตานนังอุปกปะปติอิชิตังปฏิตังทุมหังชิปเมวะสมิจตุ สัเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพีติโยวิวัชชนตูสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคาโยโกภวะอาภิวาธนาศีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลัง ฟังแล้วเอาไปทำนะไปทำเข้าแล้วเวลามาส่งกันบ้านทีหลังจะได้ไม่เขินเขินนะ